ท่านสาธุชนวดบริสะทั้ง 25 พฤษภาคม 2533 ฟังเสียงรู้สึก ก็ปรากฏว่านายแพทย์สุวิทย์ซึ่ง คนทันบก 30 ครั้งกว่าแล้วเรื่องฟันนิยมมากไป ก็พบคุณนิรัตน์เราหาสุรโยทินก็พูดกันในเรื่องตัวเครื่องตัวหัวใจว่าอาตมานี่เวลานี้เป็นโรคหัว <c oughs> แต่มงกุฎเศรษก็มาได้โรคหัวใจคือมีน้ำในหัวใจก็เป็นนั้นว่าหมอก็ปราศรัยว่าอย่าต้องการเครื่องใช้โรคเอ่อ ถ้าอย่างเล็กราคา 3 35,000 บาทแต่ประเภท 95,000 บาทอย่างนี้เครื่องจะ คุณนิรัดก็รายงานบอกว่าสำหรับเครื่องใหญ่ แล้วก็ตามปกติกลับไปถึงที่พักที่ ฤทธิ์สระว่าผู้พูดนี่เวลานี้อยู่ เดี๋ยวถามก็ต้องตอบว่าทำชั่วมากกว่าทำดีทั้งนี้เพราะอะไรพระพุทธกล่าวการพลาดครั้งในการปฏิบัติย่อมมีเสมอ นั่นยังเลวมากก็ยังเป็นทาสของนิพพานอยู่บางโอกาสคือเวลาที่ ถ้าถามว่าในช่วงนี้เจอผีเจอเทวดามั้ยก็ แต่ว่าท่านก็มาในรูปของ <c oughs> โดยเพราะอย่างยิ่งท่านเจ้าตุสมหาราชนี้สังคมอยู่เป็นปกติในสถานที่ ฉะนั้นการที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครขัดข้องเรา 3 คนมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่ 2 ท่านที่มาคุยท่านก็ไม่คุยเรื่องโลกท่านก็คุยเรื่อง ท่านก็เคยถึงกับว่าท่านเองท่านก็ทําบาปอกุศลไว้มากแต่เมื่อเวลาจะ ผมก็ต้องลงนรกก็ต้องลงนรกเพราะผมเห็นสภาวะผมแล้วว่าถ้าผมพลาดลงบาปบาไหลต้องลงนรกผมนังผมนี้แล้วท่านก็ชี้ให้ดูผมนรกที่ท่านจะไปแล้วก็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 ที่เป็นว่าเป็นอันว่าเป็นปกติท่านโดยเฉพาะอย่างเช่นเทวดาชั้นจาตุมหาราชท่านพวกนี้คุยเก่งแต่เวลาคุยของท่านเรียบร้อยบางท่านก็เรียบร้อยบางท่านก็ท่าทางเหมือนจะเกรงก็ว่าท่านพวกนี้ชอบคุยว่าคุมทรัพย์ปีกินหน่น เขาบอกขุมทรัพย์มีที่ไหนพอชี้ไปเหมือนกับไม่มีแผ่นดินไม่ได้เห็นทรัพย์ชัดเจนจำไส้มากมานท่านก็ถามว่าต้องการมั้ยล่ะครับทรัพย์ การนำทรัพย์สินมาเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษแต่พออย่างยิ่งพระทุดงแค่มีสตางค์อยู่ในไม่ในย่ํานึงสตางค์หมดก็กินแล้วเหมือนคันไฟเรื่องทองไม่มีความหมายวันนี้ไม่มีความหมายวัน <c oughs> Ik denk dat dat ik me denk dat ik ik dat dat ik ik ik dat นี่พวกพรหมลงมาคุยก็ถามว่า 6 7 8 ใช่ ก็เป็นว่าการอยู่ในป่าบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ก็จิตจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นไว้เป็นปกติเห็นท่านลอยอยู่บนทิสะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแล้วก็เห็นพระในอกเป็นสภาพแก้วใสสวยมากเห็นพระในสมอง 3 องค์สวยมากที่อก 2 องค์ในอกมีพระ อง. 2 องค์ที่สมองมีพระอง 3 เห็นภาพใหญ่ถึงงานหน้าตักเกิน 8 ศอกเห็นเป็นประจำภาพนี้ไม่ยอมให้ลือนไปจากใจถ้าจะทําอะไรก็ดีจะต้องจับภาพนี้ก่อนเป็นปกติการเดินโยมคลุมเดินไป <c oughs> ฟังแล้วคิดว่าคงจะดีมากอย่าเพิ่งชมกันถ้าจะชมก็ขอให้ชมกันตอนดี 1 ความ 2 ความ 3 ความ 4 ความ 5 อารมณ์สงสัยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความง่วงความง่วงนี่ไม่เป็นไรถ้าง่วงอะไรก็นอนว่านั้นนอนกับคําภาวนานอนกับการพิจารณานอนกับภาพพระพุทธเจ้าที่เห็น ไปไม่พอใจใครไม่ไม่พอใจตัวเองบางทีแขนขามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะเดินข้างหน้าจะเดินหลังเดินถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างวางอะไรลืมไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นความไม่พอใจมันก็เกิดความไม่พอใจอย่าง <c oughs> En ik heb een kwam leu. Groen kwam wat handboek Fang van popoot, ijsava, popoot, nice of my nine go young nice of my niego young leu. Kwam leu, jong me, jong kintje kan kwam makang Wan คิดว่าวันพรุ่งนี้กับเวลา 3 วันถึงวัดป่าดงโคมันจะถึงหรือไม่ แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่น่าแปลกเกินคาด แล้วก็ขอความเมตตาท่านบอกว่าการเดินทางกลับ เดินมาที่ศรีวจันใช้เวลา 10 นาทีไม่รู้มายังไงถ้าถามว่า เมื่อถึงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าการถึงวัดควรก็มีเทวดาท่านหนึ่งบอกว่าการกลับของ จะต้องปักหลักค้างก็เลยบอกท่านบอกว่าจากศีลอาจารย์ไปอำเภอบางประมานี่วันผมพาท่านมาได้ <c oughs> ไปตั้งกําหนดที่จะพึงไปก็ท่านก็บอกว่าจะไปที่นั่น ท่านอย่างนั้นวันนี้เวลาตอนเย็นเวลาประมาณบ่าย 3:00 น. นจะออกเดินทางคุยกันตอนเช้าก็ถามว่าการออกนับเป็นหน้าที่ของผมต้องถึงพอดีแก่เวลาหลังจาก รู้ว่าถ้าจะไปเมื่อไหร่คลองผ้าป๊บคาดผ้าผุงพับออกเดิน เมื่อเดินทางออกไป 20 นาทีหันหลังมาหวังจะดูที่ว่าอีที่ตรงนี้มันมีความสุขวันหลังจะมาที่นี่ปรากฏว่าภูเขาหายไป ก็หมอบเรื่อง <c oughs> 10 นาทีก็พบกลุ่มคนคน 50 คนเศษเมื่อ เมื่อเลิกเรื่องชัยภูมิได้ 3-4 วัน มาจากป่าบอกว่าวันนี้จะ เพียงแค่มีข้าวให้กินก็ใช้ได้ๆก็นั่งพัก ถามว่าพวกคุณจะไปไหนเขาบอกว่าผมอยู่บ้านไปนาใต้ครับพอดิเกวงนี้เป็นดิเก่งทองให้แสดงร่วมกันมาที่สยโยงกําลังเดินทางกลับเพราะทางสยโยงถ้า ก็ 2 3 ครั้งก็มี 10 คนแต่เสดจะมาตัด ชาวบ้านก็ดีแสนดีไม่รู้ว่ามีจะมี เขาบอกว่าเป็นวิภาส เป็นว่าเขาก็มะเลงกันไปแล้วมีผู้หญิงคน <c oughs> เมื่อเวลาตางตอนนี้ไปฉันต้องการความสงัดทุกคนก็นอนจึงเงียบชาวบ้านก็ <c oughs> ก็เป็นว่าฉันข้าวเสร็จชาวบ้านฉันข้าวเสร็จครับข้าวก็เหลือเยอะแยะกว่าดิเกมีผ้าของกิน <S an> บ่าย 3 โมงเย็นลุงวิทย์ก็บอก ก็ทำในลักษณะเดิมทําพอถึงประตูน้ำเจ้าเจ็ดลักษณะเดิมหลังจากนั้นก็กลับวัดพอถึง ว่านักแสดงก็ดีคนที่มาดูก็ดีทั้งหมดนี้อายุไม่ 100 ปีก็ตายหมดตามที่พระโมคคัลลาประภาษนิบทท่านเคยคิดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่ถึง 100 ปีเราก็ตายเสียงลิเกที่ร้องถ้ากําลังร้องอยู่ก็มีเสียงหยุดร้องมา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 แล้วก็คิดต่อไปว่าอัตติรังมัทยังกายโวไม่ไม่นานนักชีวิตก็ไปปราดแล้ว ขอความสมบูรณ์พลผลจงมีแด่บรรดาสวัสดี